การไหว้พระสวดมนต์การเจริญพระพุทธมนต์และแม้แต่การสดับประฟังการเจริญพระพุทธมนต์มิใช่กระทำเพื่อการอ้อนวอนหรือร้องขอสิ่งพึงประสงค์ต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือพระพุทธพระธรรมและพระอริยสงฆ์แต่เป็นการกระทำเพื่อวัตถุประสงค์หลักคือเพื่อดำรงรักษาทำเนียมประเพณีที่ดีให้คงอยู่เพื่อแสดงความคารบบูชาพระรัตนตรยัยเพื่อเชื่อม ความสา ม, มัคคีในหมู่คณะครบไตรทวารเพื่อสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนเพื่อฝึกกายใจให้เข้มแข็งอดทนเพื่อรักษาเอกลักษณ์ของชาติไทยไว้เพื่ออบรมจิตให้สะอาดสงบสวา่างเพื่อฝึ ก, กจิตให้เกิดสมาธิไม่ฟุ้งซ่านและเพื่อทบทวนพระพุทธพน์และที่สำคัญ เป็นการกระทาเพื่อมุ่งให้บังเกิดผลแก่การดำรงชีวิตประจำวันโดยตรงคือเพื่อเสริมสร้างสติปัญญาอบรมจิตให้ประณีตและมีคุณธรรมเสริมสิริมงคลชีวิตตนบริวารและคนใกล้ชิดฝึกจิตให้มีคุณค่าและเฉียบหน้าปรับความเห็นให้ถูกต้องตรงตามหลักพระพุทธศาสนารักษาศรัทธาของสาธุชนไว้ได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า แม้ปรนิพานแล้วเป็นแบบอย่างของอนุชนต่อไปเป็นบุญญากิริยาวาสนาบา ร, รมีและเป็นความสุขทางใจดังนั้นการไหว้พระสวดมนต์การเจริญพระพุทธมนต์และการสัดรับฝังการเจริญพระพุทธมนต์จึงถือเป็นภารกิจประจำวันอันยิ่งใหญ่ที่ชาวพุทธผู้เคารพนับถือพระรัตนตรยัยต้องทาเพื่อเหตุผลดังกลาง่าวข้างต้น และเพื่อให้บังเกิดผลด้านการพัฒนาตนและหน้าที่หลัก3ประการคือ 1. ได้โอกาสเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าเป็นประจำา 2. ได้ขจัดความเกียดคร้านพร้อมทั้งได้ชำระล้างจิตใจให้ใสสะอาดก่อนเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าทุกวันและ 3. ได้ดำรงรักษาพัฒนาศีลสมาธิและปัญญาทุกลมหายใจอีกด้วย ลำดับจากนี้ไปขอให้ทุกท่านโปรดสำรวมกายวาจาและจิตใจให้พร้อมประคองจิตให้มั่นคงดำรงสติสัมปชัญญะให้บริบูรณ์เพิ่มภูลเสียงกุศลด้วยการเปล่งเสียงสวดทางวาจาสังสมบารมีธรรมภายในด้วยจิตใจจดจ่อต่อคำสวดและความหมายของทุกคำสวดเพื่อให้บังเกิดปีติ และปราโมทไปพร้อมๆกับการเจริญพระพุทธมนต์นักบัด น, นี้